มาได้มีโอกาสมาบรรยายที่นี่ครั้งหนึ่งนะหลังจากได้มาบรรยายของจะประมาณตั้งสองสาที่แล้วนะแล้วก็ในครั้งนี้กันฟั้งชื่อหัวข้อเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนตายฟังแล้วก็น่าตกใจนะพูดถึงเรื่องตายเนะี่ยเรากปกติแล้วเราไม่ไม่อยากได้ยินกันนะ่ะคําคําว่าตายเนะี่ยเพราะว่าเป็นเป็นที่ หวาดกลัวแล้วก็หวาดเสียวสําหรับทุกๆคนทุกคนเราก็คงไม่มีใครอยากตายนะพูดกันถึงเรื่องตายเนี่ยไม่มีใครบางครั้งเราก็ไม่อยากจะคิดถึงนะ่ะเย่าว่าแต่อยากตายเลยนะแต่จะบอกว่าไม่มีใครอยากตายก็คงคงพูดไม่ได้นะไ อ, อคนที่อยากตายก็บางครั้งก็มีแต่เป็นคนที่จิียรติวิปริตหรือเขาคิดอยากจะตายคิดค่าตัวตายเนี่ยก็มีอยู่ แต่ว่าคนคนปกติทั่วๆไปเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากอยากจะตายะ่ะตอนนี้อย่าว่าแต่แต่เรื่องอยากตายเลยนะแม้แต่คิดถึงเนี่ยเราเราก็ยังไม่อยากจะคิดกันเลยว่าจะตายเนี่ยเมื่อคิดถึงความตายเนี่ยเราไม่อยากคิดกันแล้วก็ทําไมจึงจึงมาพูดเรื่องนี้กันนะ่ะมาพูดกันถึงเรื่องเตรียมตัวก่อนตายจริงๆแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดเกิดมาเพียงครั้งเดียวนะ แล้วเราก็ตายก็ตายเพียงครั้งเดียวไม่มีใครตายหลายครั้งนะ่ะเอที่เขาตายกันหลายครั้งเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่ตายเนะ่ะในสมัยหนึ่งมีข่าวเกี่ยวขราวว่าตายแล้วฟื้นแต่จริงๆตหรับพุทธศาสนายังไม่ตายอะ่ะเป็นแต่เพียงข่านสลบแค่นั้นเนี่ยสลบไปถ้าตายแล้วจะไม่มีโอกาสฟื้นขึ้นมาใหม่ถ้ายังฟื้นขึ้นเนี่ยท่านยังไม่เรียกว่าตาย ท่านตายแล้วพื้นแล้วก็มาตายใหม่รอบสองเนี่ยจะไม่มีนะในในหลักทางพุทธศาสนานั้นไม่มีท่านไม่ได้แสดงไว้ชีวิตของคนเราเนี่ยเราเกิดมาในชาตินี้แล้วเราก็ตายกันเพียงครั้งเดียวเมื่อเราตายกันเพียงครั้งเดียวเนี่ยเราน่าจะตายให้เป็นเพราะว่าไอ้ตายเนี่ยก็มีตายสองชนิดตายเป็นกับตายไม่เป็นคนตายเป็นเนี่ยเขาตายแล้วไม่ทุกข์ แต่คนตายไม่เป็นเนี่ยตายแล้วทุกทอนนี้ที่บอกว่าตายแล้วทุกทุกอย่างไรอะทุกทุกก็ทุกสองสถานะนะทุกก่อนตายประการหนึ่งแล้วตายแล้วก็ยังทุกอีกประการหนึ่งทุกก่อนตายก็คือจิตวันไหวจิตของเราเนี่ยวันไหวจิตหวาดกลัวหวาดเล่าแวงคิดถึงความตายแล้วรู้สึกหวาดผวาเกิดอาการผลพองสยองกล้าวเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเนี่ย เราคิดว่าจะตายขึ้นมาเนี่ยเราเกิดอาการหวาดกลัวแต่ว่าถ้าคนตายเป็นเนี่ยนะหรือมีการเตรียมตัวก่อนเนี่ยเขาจะไม่เกิดอาการแบบนี้อาการหวาดผวาจะไม่เกิดขึ้นอาการหวาดกลัวจะไม่เกิดขึ้นนั้นคนที่ตายไม่เป็นเนี่ยจะเกิดความทุกข์ก่อนตายอันนี้เมื่อเกิดความทุกข์ก่อนตายก็คือเกิดอาการกลัวตายเกิดความหวาดกลัวในขณะที่ใกล้จะตาย แล้วก็เมื่อตายไปในลักษณะนี้นะ ก, ก็จะต้องไปสู่สถานที่ทุกข์อีกเพราะว่าบุคคลที่ตายไปด้วยจิตที่ไม่แจ่มใสเนี่ยจิตไม่ผ่องใสทศ ม, มาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ว่ามีทุกขติเป็นที่หวังได้สถานนะเดียวเท่านั้นจิตเตสังกิลิเททุกขติบาติกังขา จิตของบุคคลเมื่อเศร้ามองเกิดอาการหวาดกลัวจิตไม่ผ่องใสตายไปในขณะนั้นเนี่ยตายแล้วจะไปเกิดในทุกขติตายแล้วต้องไปเกิดในดินแดนแห่งความทุกข์แล้วก็ในทุกขติที่เรามองเห็นเนี่ยมีอยู่ภูมิหนึ่งที่เราไม่ปฏิเสธแก่นคือเดรัจฉานภูมิแต่ภูมิอื่นๆบางครั้งเราก็ยังนึกคัดค้านอยู่ในใจเหมือนกันว่ามีหรือไม่มีอย่างท่านบอกว่าอบายภูมิมีสี่มี การไปเกิดในอบายภูมิเนี่ยมีอยู่สี่แห่งคือไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในภูมิสามภูมิแรกเนี่ยบางครั้งเราเพืยังสงสัยอยู่ว่ามีหรือไม่มีเพราะเรามองไม่เห็นแต่ว่าทุกคนไม่ปฏิเสธเดรัจฉานภูมิเป็นทุกขติภูมิภูมิหนึ่ง อนนี้บุคคลที่ตายไปในลักษณะที่จิดไม่ผ่องใสเนี่ยตายแล้วจะไปบังเกิดในทุกขติแต่ถ้าบุคคลใดเนี่ยตายเป็ น, นมีการเตรียมตัวก่อนที่จะตายเนี่ยตายในลักษณะนี้ตายแล้วจะไปสู่สุ ข, ขติในไหนชีวิตเราเนี่ยจะต้องพบกับความตายแน่ๆนะคือไม่ใช่ว่าเรามาพูดกันสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่ว่าเรามาพูดกันสิ่งที่เป็นไปได้โดยแน่นอนเนี่ยว่าพอพูดถึงเรื่องความตายเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธได้เราจะต้องตายจากโลกนี้ไปแน่ๆแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะหลบหนีได้น่ะหลกนี้พญามัจจุราชเนี่ยเราหลบหนีไม่ได้พญามัจจุราชท่านมีไพ่พลเสนามากเราจะหลบไปอยู่หน้าสถานที่แห่งใดเนี่ยท่านก็ตามพบตัวเราแล้วก็มาฉุดกล้า เอาตัวเราเนี่ยไปจากภบนี้เราไม่สามารถที่จะหนีความตายพ้นเมื่อเราไม่สามารถที่จะหนีความตายพ้นเนี่ยทุกคนจะต้องตายแน่นอนเมื่อทุกคนจะต้องตายแน่นอนเนี่ยเราจะตายในลักษณะไหนดีเนี่ยตายแบบตายเป็นจับตายแบบอย่างตายไม่เป็นเนี่ยตายเป็นจิตไม่เป็นทุกข์แต่ว่าตายไม่เป็นเนี่ยจิตเป็นทุกข์เราเราจะเลือกเอาแบบไหนดี คิดว่าหลายๆท่านคงเลือกเอาในข้อที่ว่าตายเป็นดีฟานะเพราะว่าเราตายเป็นเนี่ยจิตของเราไม่เป็นทุกข์ที น, นี้ตายเป็นเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนตายแต่เราไม่เตรียมตัวเนี่ยเราก็จะตายไม่ถูกวิธีบางท่านเนี่ยเขาทดลองตายดูก่อนนะทดลองตายดูก่อนเขาเรียกว่าตายก่อนตาย ทดลองตายเนี่ยทดลองอย่างไรอ่ะทดลองดูว่าจิตจะเป็นอย่างไรเพราะว่าแน่นอนเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ว่าถ้าจิตผ่องใสแล้วสุขคติหวังได้ถ้าจิตไม่ผ่องใสก็ทุกขคติหวังได้ท่านนี้สําหรับบุคคลที่ทดลองตายก่อนตายเนี่ยเขาก็จะทดลองว่าเวลาตายจิตเราจะเป็นอย่างไรมาพิสูจน์จิตของตอนเองดูก่อน ก็เลยทดลองตายดูว่าเอาละวันนี้เนี่ยเราจะตายแล้วพอเราลมตัวลงดอนเนี่ยพอหมดความรู้สึกเราก็ตายไปเลยคิดแบบนี้แล้วเขาจะดูความคิดของตอนเองว่าขณะตอนที่ที่ใกล้จะตายเนี่ยจิตเป็นอย่างไรคืออีตอนใกล้จะหมดความรู้สึกเนี่ยพ่องใสหรือไม่พ่องใสถ้าจิตพ่องใสก็แสดงว่า ตายเป็นแล้วคราวนี้การทดลองตายก่อนตายเนี่ยตายเป็นพอที่จะเข้าไปสู่สนามแห่งความตายจริงๆได้แต่ว่าถ้ายังเกิดอาการหวาดกลัวอยู่นะยังเกิดอาการลุ่มหลงหรือยังเกิดอาการหุดหงดอยู่เนี่ยยังไม่สมควรตายจริงๆเพราะว่าตายจริงๆแล้วจะไปสู่ทุกขติแน่นอนมาพูดกันถึงเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยจะทําให้ให้เราเนี่ยตาย คือตายแบบถูกวิธีตายเป็นตอนนี้เราจะเห็นว่าเราจะกระทาอะไรอะไรกันทุกอย่างเรามีการเตรียมตัวนดี๋ยแม้แต่วันนี้เนี่ยท่านทั้งหลายจะมาฟังการบรรยายในที่นี่เขาก็มีการเตรียมเตรียมจัดสถานที่เตรียมไมโครโฟนเตรียมอะไรต่างๆเตรียมความเรียบร้อยเตรียมเช็คอะไรต่างๆ สถานที่เรียบร้อยไหมเก้าอี้เรียบร้อยไหมของน้ำเรียบร้อยไหมพอที่จะรองรับบุคคลหลายๆคนได้ไหมเนี่ยมีการเตรียมก่อนหรือเราจะทําอะไรอะไรเนี่ยจะเดินทางไปไหนก็เหมือนกันอย่างเราจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราใช้เวลาการเตรียมตัวหลายๆวันเตรียมจัดกระเป๋าเตรียมเสื้อผ้าเตรียมยาที่จําเป็นแล้วก็เตรียมของใช้ที่จําเป็นเมื่อมีการเตรียมเตรียมตัวดีเนี่ย การเดินทางสะดวกการเดินทางไปเราไม่ติดขัดนะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์อำนวยปัาสะดวกพร้อมในการเดินทางเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวทีนี้การตายเนี่ยท่านอุ ป, ปมาเหมือนกับการเดินทางเหมือนกับการเดินทางรอบโลกในการเดินทางรอบโลกเนี่ยเราก็จะไปจากประเทศนี้แล้วก็ไปสู่อีกประเทศหนึ่งจากอีกประเทศหนึ่งก็ไปยังประเทศหนึ่งไปเรื่อยๆนย เดินทางไปเรื่อยๆอนการเดินทางไกลเนี่ยถ้าเรามีสเสบียงในการเดินทางเนี่ยเดินทางสะดวกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัวเครื่องบิ น, นถ้าเรามีรับรองเลยเราเดินทางทั่วโลกไม่ลาบากมีตัวเครื่องบินแล้วยังไม่พออนะ่ะยังจะต้องมีเสื้อผ้ามียามีอาหารมีอะไรต่างๆพร้อมงนั้นถ้าเราจัดเตรียมไปพร้อมเนี่ยเราเดินทางรอบโลกได้สบายสบาย ไม่ไม่เดือดร้อนนะ่ะการเดินทางคือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรก็เหมือนกันการเกิดการตายเนี่ยถ้าอุปมาเหมือนกับการเดินทางการเดินทางไกลการเดินทางไกลเราจะต้องจัดเตรียมเตรียงชันใดเนี่ยการเกิดการตายของสรรพสัตว์ก็เหมือนกันเนี่ยเราเตรียมตัวพร้อมกันแล้วหรื อ, อยังพร้อมที่จะเดินทางไกลอันกันดาร ที่เรียกว่าวัฏฏะสงสารในการเดินทางไกลอันกันดาลเนี่ยเป็นการเดินทางจากพบนี้ไปสู่พบหน้าแล้วพบภูมิที่เราจะเดินทางไปเนี่ยมีอยู่หลายพบด้วยกันบางพบก็ลาบากบางพบก็สะดวกสบายหน่อยเราก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้การเดินทางเนี่ยเราเรามีการเลือกนะเลือกเดินทาง อย่างเขาจะให้เราเดินทางไปต่างประเทศก็มีประเทศหลายหลายประเทศถามว่าให้เราเลือกเนี่ยเราจะมีการเลือกก่อนไหมเขามีโอกาสให้เราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยแล้วก็ประเทศที่จะเดินทางเนี่ยมีทุกๆประเทศให้เราเลือกเอาหนึ่งประเทศเราก็จะต้องมาเลือกดูก่อนว่าควรจะไปประเทศไหนดีแล้วเราก็เลือกไปในประเทศที่น่าจะไป ไปแล้วไม่ลำบากจนเกินไปไปแล้วสะดวกสบายเนี่ยเราก็จะเลือกประเทศนั้นการเดินทางไกลในการเวียนว่ายายเกิดคือการเดินทางจากพบนี้ไปสู่พบหน้าเนี่ยพบที่เราจะไปอุบัติเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมีถึงสามสิบเอ็ดพบด้วยกันแล้วก็เป็นพบอันกันดานรการเดินทางไปก็จะต้องอาศัยสเสบียงในการเดินทาง ถ้าเราไม่มีสเสบียงในการเดินทางเนี่ยเราจะไปสู่พบที่ดีไม่ได้บุคคลที่มีการเตรียมตัวก่อนสะสมสเบียงก่อนก็จะสามารถเลือกพบภูมิที่น่าจะไปได้ที่บอกว่าคนเราเลือกที่ตัวใจเนี่ยหมายถึงเกิดมาแล้วเนี่ยเลือกไม่ได้นะแต่จริงๆเนี่ยคนเราเลือกที่เกิดได้ถามว่าเราอยากไปเกิดที่ไหน ตอนเนี้ยอยากจะไปเกิดที่ไหนบ้างเดี๋ยวสมาจะเลือกให้มีไหมมีใครอยากอยากจะไปพบไหนบ้างสมาเลือกให้ได้เลยนะแต่ท่านจะไปหรือไม่ไปอยู่ที่ตัวท่านเองเนะี่ยคือเราสามารถจะเลือกได้ว่าจะไปพบนี้ไปด้วยอุบายวิธีอย่างนี้หรือการเดินทางเนี่ยจะไปประเทศนี้จะต้องไปด้วยยานพาหนะอย่างนี้อย่างนี้ในการเดินไปสู่พบน้อยพบใหญ่ก็เหมือนกันเนี่ยก็จะต้องมียานพาหนะในการนําไป อยากจะไปพบไหนอะยากจะไปอบายภูมิก็ไม่ยากนะแต่จะไปเกิดในอบอายภูมิเนี่ยไม่ยากอนะเรากระทาบาปกรรมมากๆากเข้าฆ่าสัตว์เข้าลักทรัพย์เข้าประพฤติผิดในบทในพัญญาของคนอื่นมากๆเข้านะแล้วก็อะไรที่มันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นความชั่วทั้งหมดอนะรมอย่าให้อย่าได้เว้นนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อมากๆากเข้านะ แล้วก็โลภอยากได้ของของคนอื่นให้มากๆพยาบาทปองร้ายเขาให้มากๆเห็นผิดให้มากๆรับรองไปเกิดในอบายภูมิแน่นอนนะเราเลือกไปเองนะในการไปเกิดในอบายเนี่ยไม่ใช่คนอื่นให้เราไปเราเลือกของเราเองแล้วเราก็กระทํากรรมไปสู่ภพนั้นกระทําบาปกระทาอาคุตุลกรรมพอกระทาบาปกระทําอาคุตุลกรมแล้วตายแล้วก็ไปเกิดในอบายภูมิ สมใจปรารถนามีไหมปรารถนาไปอบายภูมิคิดว่าไม่มีนะอ่ะนี้เมื่อไม่มีเราจะไปไหนคะนี้ถัดจากอบายภูมิเนี่ยเราก็ไปอยังมนุษย์ภูมิมนุษย์เนี่ยเราเราอยากมาอนะ่ะอยากมาเกิดคาวนี้อยากมาเกิดเนี่ยอยากแล้วบางครั้งก็สมหวังแต่บางครั้งก็ผิดหวังเพราะเราอยากจะมา แต่เราไม่มีสตังค์ค่าเครื่องบินจะมาก็เลยมาไม่ได้เหมือนกันสเบียงในการเดินทางมีไม่พอมาไม่ได้นะคราวนี้สเบียงในการเดินทางจะมาพบภูมิของมนุษย์นั้นเนี่ยอะไรจะเป็นสเบียงในการเดินทางสเบียงในการเดินทางนั้นเนี่ยบุคคลที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบอกว่ามาด้วยอํานาจของศีม ศีลที่เราไม่ประมาทเนี่ยเราไม่ประมาทในศีลตั้งตอนอยู่ในศีลแล้วก็มีมนุษยธรรมมีศีลห้าประการมีมนุษยธรรมทำให้มาเกิดในมนุษย์ทุกคนก็ปรารถนาจะมาเกิดในมนุษย์แต่บางครั้งเราก็ไปสั่งสมสเบียงที่จะนำให้ไปเกิดในอบายแล้วเรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เราจะโทษใคร เราก็ต้องโทษตัวของเราเองตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามว่าอยากกระทำความชั่วแต่ท่านบอกว่าถ้ากระทาอย่างนี้แล้วจะไปสู่สถานะอย่างนี้อย่างนี้แล้วแต่เราจะเลือกอย่างไรเนี่ยเราจะเลือกปฏิบัติอย่างไรเนะ่เพราะว่าถ้ากระทาบาปอกุศลกรรมแล้วก็นําไปอบายจะทำบุญทํากุศลมีการรักษาศีลแล้วก็จะนามาเกิดเป็นมนุษย์ หรือไปเกิดเป็นเทวดาท่านบอกว่ามีฮิริอตตาปะเนี่ยฮิริความละอายแก่ใจโอตตาปะความเกรงกลัวละอายแก่ใจก็คือไม่กระทําผิดละอายต่อบาปต่อทุติยิตไม่กระทําบาปทุติยิตทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะใจเกิดความรังเกียจใจเกิดาาความละอายเมื่อมีฮิริโอตตาปะฮิริโอตตาปะเป็นคุณธรรมของเทวดา ก็จะนําไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่ามนุษย์ต้องการจะไปให้ดีกว่านี้ก็ยังไปได้นะไปให้เหนือเทวดาก็ยังไปได้เหนือเทวดาไปอย่างไรอะ่ะไปเกิดเป็นพรมหมนะการไปเกิดเป็นพรหมนั่นทำแบบไหนถ้าจะไปเกิดเป็นพรหมต้องขยันในการเจริญฌานทําจิตของตอนเองให้สงบเนี่ยมีการอบรมจิตตภาวนามีการเจริญสมถะเนี่ย สมถะสมถานบุคคลใดทําใจไม่ให้วันไหวมีจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เพียงอย่างเดียวเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตไม่วันไหวต่ออารมณ์ต่างๆจนกระทั่งจิตสงบมั่นคงแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยภาวะจิตของบุคคลนั้นเข้าถึงความเป็นฌานเมื่อภาวะจิตเข้าถึงความเป็นฌานเวลาใดเนี่ยตายไปในลักษณะนั้น ในเวลานั้นที่ฌานยังไม่เสื่อมอํานาจของฌานก็จะส่งผลไปเกิดเป็นลมถ้าได้รูปปรฌานก็จะส่งผลไปเกิดเป็นรูปประมถ้าได้อารูปปรฌานเนี่ยอรูปประฌานเขาก็จะส่งผลให้ไปเกิดเป็นอารูปประมเห็นไหมเราเลือกเราเลือกเดินทางจะไปพบไหนก็ได้เราต้องการไปพบไหนก็เลือกเอาน่ะจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็รักษาศีลพยายามรักษาศีลนะ แต่ว่าบุคคลเกิดเป็นมนุษย์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีน้อยเหลือเกินมีน้อยอย่างไรบุคคลที่จะตั้งตนอยู่ในศีลเนี่ยมีกี่คนท่านท้ายลองพิดารณาดูนะแม้แต่ตัวเราบางครั้งเราก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ยมั่นใจได้ไหมว่าเราจะไม่ล่วงละเมิดศีลเนี่ยถ้ามีสิ่งที่มายั่วยวนที่จะชักนําทําให้เราผิดศีลเนี่ยเราจะบังคับใจตัวเองได้หรือเปล่า ถ้าเราสามารถบังคับใจตัวเองได้เราไม่ล่วงละเมิดศีลก็มีเครื่องรับประกันแน่นอนว่าเราพอจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งเนี่ยแต่ถ้าเรารับประกันตัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนในการจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจว่าจะมาได้หรือไม่ได้ที น, นี้บุคคลที่ตายจากมนุษย์ แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมีน้อยท่านบอกว่ามีน้อยเหลือกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผูประมาเอาไว้ว่าการตายจากมนุษย์แล้วต้องไปเกิดในอบายภูมิมีมากผูประมาเหมือนกับโคตัวหนึ่งมีขนนับไม่ถ้วนบุคคลตายแล้วไปเกิดในทุกขติเท่ากับขนของโค แต่ว่าบุคคลที่ตายแล้วกลับมาเกิดในสุคติอีกเนี่ยเท่ากับเขาของคอเห็นไมคอตัวหนึ่งมีเขาสองเขาแต่มีขนนับไม่ถ้วนดะนั้นคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะมีคุณธรรมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมีน้อยตายแล้วจะไปไหนแบบนี้ตายแล้วก็ไปสู่ทุกคติถ้าไดนลักษณะนี้ แล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยท่านก็ยังมีทางอีกนะว่าทางที่จะพ้นไปเนี่ยเพราะว่าการเกิดถ้าเรามามองดูว่าการเกิดเป็นภพเนี่ยเรามีกายกายก็เป็นภพมีใจใจก็เป็นุกภพเมื่อมาเกิดเป็นภพเราก็เริ่มมองเห็นว่าการเกิดเนี่ยไม่น่าเกิดแล้วเกิดมาก็จะมีกายแบบนี้อีกถ้ามีกายกายเขาก็จะภพแบบนี้อีก เกิดมาก็จะมีใจมีความรู้สึกอีกความรู้สึกก็จะเป็นทุก์แบบนี้อีกเราก็เริ่มมองเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์แสดงว่าเราเริ่มมองเห็นโทษของการเกิดเมื่อมองเห็นโทษของการเกิดเราก็ไม่ต้องการจะเกิดทาไมต้องการจะเกิดทางเลือกก็มีบุคคลที่ไม่ต้องการเกิดมีทางเลือกทําแบบไหนก็หยุดทากรรมที่จะให้นามาเกิดนะเราหยุดทากรรมที่จะนาให้มาเกิด แล้วก็กรรมที่เขานําให้มาเกิดมีอะไรบ้างกรรมที่นําให้มาเกิดมีสองประเภทด้วยกันกุศลกรรมกับอกุศลกรรมถ้ากระทำอกุศลกรรมก็จะต้องเกิดในอบายภูมิอกุศลกรรมเนจะเป็นผู้จัดแจงนําเราไปเกิดในอบายภูมิอีกประการหนึ่งกุศลกรรมกุศลกรรมนําเรามาเกิดเป็นมนุษย์กุศลกรรมนําเราไปเกิดเป็นเทวดา กุศลกรรมนําเราไปเกิดเป็นพรหมการเกิดเป็นอบายสัตว์หรือเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรเพราะนั้นถ้าไม่ต้องการเกิดท่านก็บอกว่าหยุดทํากรรมหยุดทํากรรมสองประการบุคคลใดหยุดทํากรรมสองประการได้แล้วบุคคลนั้นจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรที่ท่านแสดงว่าบุคคลใดลอยทั้งบุญและบาปได้แล้วเราเรียกบุคคลนั้นว่าพราณ์ หมายถึงบุคคล น, นั้นจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกินในสองสารวัตอีกต่อไปการเกิดการตายของบุคคล น, นั้นเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนถามว่าตายแล้วเนี่ยเราจะต้องเกิดอีกหรือเปล่ามีคนมาทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนตายแล้วจะเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดพระสัาามมาสัมพุทธเจ้า บางครั้งท่านไม่พยากรณ์แต่ว่าบางครั้งท่านก็แสดงออกมาเลยก็มีโดยไม่ต้องมีใครถามตอนนีถ้ถ้าจะถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดบุคคลบางกลุ่มเขาก็มีความคิดเห็นว่าตายแล้วเกิดถามว่าตายแล้วศูย์หรือเปล่าบุคคลบางกลุ่มเขาก็มีความเห็นว่าตายแล้วไม่เกิดฉันั้นความคิดเห็นของคนในโลกนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกัน ประเภทหนึ่งบอกว่าตายแล้วเกิดอีกอีกประเภทหนึ่งบอกว่าตายแล้วไม่เกิดแล้วตายแล้วศูนย์แตลยคราวนี้ถ้าถามพระสัมมาสัมพุทเจ้าท่านตอบแบบไหนตรงนี้ถ้าถามท่านเนี่ยบอกว่าตายแล้วเกิดก็ไม่ถูกนะเอาตายแล้วไม่เกิดก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันคราวนี้ถูกเป็นอย่างไรอ่ะที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะตอบกลางๆาง บอกว่าตายแล้วเกิดก็ผิดตายแล้วศูนก็ผิดแต่ถ้าบุคคลใดสมควรเกิดก็เกิดฉันจะตอบแบบนี้บุคคลใดไม่สมควรเกิดก็ไม่เกิดสมควรเกิดสมควรอย่างไรบุคคลที่ยังไม่หมดกรรมยังมีกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมก็ต้องนำเกิดอีกทีนี้ถ้าบุคคลที่ปราศจากกรรมแล้ว กระทำเพียงสักว่าแต่กระทำเท่านั้นไอ้จิตที่เรียกว่าสักว่าแต่กระทำเนี่ยเป็นปริยาจิตเป็นจิตของพระอระหรันต์อรหันต์เนี่ยท่านไม่ทำบุญแล้วท่านก็ไม่ทำบาปสองประการการกระทำของพระอรหันต์ท่านไม่เรียกว่าบุญแล้วก็ไม่เรียกว่าบาปแต่การกระทำของท่านนั้นเรียกว่าปริยาทัานจิตภาวะจิตในลักษณะนี้นี่แหละ ไม่มีกรรมที่จะนำให้ไปเกิดไม่ต้องไปเกิดในภพภูมิต่อไปอีกแล้วฉะนั้นบุคคลที่ไม่มีกรรมแล้วเนี่ยก็จะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตอีกต่อไปก็จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องเวียนตายเวียนเกิดกัอีกต่อไปแต่อย่างพวกเราเนี่ยยังกระทำกรรมโยนกรรมดีเราก็อยากกระทำบางครั้งกรรมชั่วเราก็เผลอไปกระทเข้าบ้างก็มี มีทั้งกรมกรมดีและกรรมชั่วพรพาวกันไปเมื่อมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเนี่ยถามว่าเรายังกระทํากรรมทั้งสองอย่างเนี่ยตายแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนตรงนี้นี่แหละเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับประกันที่แน่นอนว่าตายแล้วเราจะไปสุขสติเราจึงจําเป็นไงต้องมาเตรียมตัวที่จะมาม า, มาบรรยายในวันนี้ก็เพื่อเรื่องนี้โดยตรงแหละ สำหรับบุคคลที่ยังกระทํากรรมคร า, าวกันไปเนี่ยมีทั้งกรรมดีที่นําให้ไปเกิดในสุขติแล้วก็กรรมชั่วที่เราทั้งเสลอกระทาลงไปบางครั้งตั้งใจบ้างบางครั้งไม่ตั้งใจบ้างกรรมชั่วเหล่านั้นเขาก็มีโอกาสนําเราไปสู่ทุกขติคราวนี้เราทํากรรมทั้งสองประการเนี่ยแต่เวลาเลือกเราจะเลือกเพียงอย่างเดียวนี เราต้องการเลือกไปสุขคติเตียงอย่างเดียวเนี่ยถามว่าจะเป็นไปได้ไหมจะพอเป็นไปได้ไหมเนี่ยเพราะจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่นะแต่ที่เราเห็นมีอยู่หนึ่งภูมิเนี่ยเราก็ไม่อยากไปถามว่าพอจะเป็นไปได้ไหมเราเราไม่ปรารถนาจะไปอบายภูมินีแล้วเราขอเลือกไปสุขคติภูมิอย่างเดียวพอเป็นไปได้ไหมฮะมีใครจะตอบได้บ้างตรงนี้ เราขอเลือกอย่างเดียวนะ่ะในฐานะวันนี้เราจะมาเตรียมตัวกันพอเตรียมตัววันนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกทางเดียวเอไปเกิดสุขติภูมิอย่างเดียวก็แล้วกันนะ่ะท่านบอกว่าพอเป็นไปได้พอใจชื้นหน่อยใช่ไหมใจชื้นขึ้นมานิดนึ่งนึกว่าเป็นไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่รู้จะเตรียมไปทําไมนะ่ะพอที่จะเป็นไปได้คือเราสามารถไปเกิดในสุขติภูมิได้ถ้าเราเตรียมตัวดีนะ่ะ ถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยหมดโอกาสถ้าเราเตรียมตัวดีๆมีโอกาสที่จะไปเกิดในสุขติภูมิได้ในฐานะที่กรรมที่จะส่งผลให้ตัวเราเนี่ยมีสองประเทศด้วยกันกุศลกรรมก็มีอกุศลกรรมก็ยังมีถึงอกุศลกรรมในชาตินี้ไม่มีอกุศลกรรมในอดีตแต่ชาติของเราก็มีเขามีสิทธิ์ที่จะนําเราไปเกิดในทุกขติภูมิได้ทั้งหมดแต่ทําอย่างไรอ่ะ ทำอย่างไรตายแล้วเราขอเลือกไปสุขคติอย่างเดียวเราจะทําอย่างไรเนี่ยอุบายวิธีตรงนี้นี่แหละเราต้องมาเตรียมกันที่จะมานํามากล่าวตอนต้นว่าจิตเตสังคิริษเส์สุขทุคคติปาฏิจังขาถ้าจิตเศ้าหมองแล้วทุคคติหวังได้จิตเตะอสังคิริษเ์สุขคติปาฏิจังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขคติหวังได้ เศร้าหมองตอนไหนไม่เศร้าหมองตอนไหนนับในเวลาใกล้จะตายใกล้จุติอีตอนที่เราใกล้จะตายเนี่ยวาระครั้งสุดท้ายก่อนจุติจิตเกิดเนี่ยขณะนั้นเนี่ยถ้าจิตผ่องใสตายแล้วจะไปสู่สุขคติแน่นอนถ้าจิตไม่ผ่องใสตายแล้วก็จะไปสู่ทุกขคติแน่นอน เราอยากไปสุขคติทางเดียวใช่ไหมระวังจิตให้ผ่องใสตลอดถ้าเราระวังจิตทําจิตให้ผ่องไสเนี่ยสุขคติหวังได้แน่นอนอย่าให้จิตคุณมัวฝึกเตรียมตัวไว้บ่อยๆตายก่อนตายบ่อยๆผ่องใสได้ทุกสถานที่ผ่องใสได้ทุกโอกาสผ่องใสได้ทุกสถานะมีจิตไม่คุณมัวมีจิตไม่เศร้าหมองมีจิตผ่องไส ถ้าเรารักษาจิตแบบนี้ได้ในเวลาใกล้ตายเราก็เลือกสุขสติทางเดียวได้แต่ว่าจิตผ่องใสและจิตขุนมัวในเวลาใกล้ตายเนี่ยเขาไม่ได้ผ่องใสเองเขาไม่ได้ขุนมัวเองเวลาผ่องใสเนี่ยเขาผ่องใสาตามอํานาจของกรรมเวลาขุนมัวขุนมัวตามอํานาจของกรรม บุคคลเราเกิดด้วยอำนาจของกรรมกรรมที่นาให้บุคคลมาเกิดนั้นท่านเรียกว่าชนกกรรมชนกกรรมเป็นตัวนำเกิดเป็นตัวนำให้มาเกิดคชนกกรรมก็มีสองชนิดชนกกรรมที่เป็นอกุศลกรรมก็มีชนกกรรมที่เป็นกุศลกรรมก็มีแล้วกรรมสองชนิดนี้เนี่ยเราได้กระทำมาแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ ท่านบอกว่าเรากระทําในชาตินี้ก็มีกระทํามาแล้วในอดีตตชาติก็มีมีทั้งชาตินี้มีทั้งอดีตชาติเราเคยกระทํามาแล้วคราวนี้อะไรจะเป็นเครื่องเลือกจัดสรรให้กรรมเนี่ยชนิดดีๆมาคอยนําเกิดให้กับเราในเวลาใกล้ตายก็ไม่มีอะไรจะจัดสรรกรรมตัวนี้ได้อีกเหมือนกัน ก <Workers. S 2> รรมที่เราได้กระทำแล้วเนี่ยแล้วแต่ว่าเร <of> <ม>าคุ้นเคยกับกรรมประเภทไหนในชาตินี้เราต้องดูว่าเราคุ้นเคยกับกรรมประเภทไหนถ้า ande, เราคุ <of> culture, ้นเคยกับกรรมดีกรรมดีก็มีโอกาสมากกว่าถ้าเราคุ้นเคยกับอาุศละกรรมอาุศละกรรมเขาก็มีโอกาสเราเสพคุณกรรมชนิดไหนในปัจจุบันใาชาตินี้ถ้าเสพคุณจากการทากรรมดี ในเวลาใกล้าตายเนี่ยกรรมดีเขาจะมีโอกาสทำหน้าที่เป็นสนกกรรมนำเกิดแต่ถ้าเราคุ้นเคยกับอกุศรกรรมเนี่ยอาุสรกรรมเขาก็มีโอกาสเีเหมือนกันมีโอกาสนำเราให้ไปเกิดในทุกคติภูมิคราวนี้ถ้าไม่แค่กรรมในปัจจุบั น, นชาตินี้เกิดเป็นกรรมในอดีตเราก็ไม่รู้อ่งเหมือนกันว่าได้ทำกรรมอะไรมาบ้างเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าในอดีตเนี่ยเราเคย สั่งสมกรรมชนิดไหนไว้แล้วก็กรรมที่จะติดตามมาให้ผลกับตัวเราเนี่ยถ้ากรรมในอดีตเนี่ยเขามีกําลังมีโอกาสเขาก็สามารถตามมาได้คราวนี้ถ้าเกิดเป็นอคุศ ร, รกรรมขึ้นมาแล้วจะทำแบบไหนก็เรากําลังเลือกว่าจะไปสุขติทางเดียวเนี่ยถ้าอคุศ ร, รกรรมเขามีโอกาสอคุศ ร, รกรรมเขาก็จะติดตามมาให้ผลเราจะรู้ได้ในเวลาใกล้ตายเนี่ย ว่ากรรมชนิดไหนเขามีโอกาสท่านบอกว่ากรรมในขณะที่เขาจะนำเกิดกรรมเนี่ยเขาจะต้องแจ้งให้เจ้าของกรรมได้รับทราบก่อนคือกรรมเนี่ยเป็นธรรมชาตินะที่สัพพสัตได้กระทำไว้เนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติ กรรมชนิดใดมีโอกาสกรรมชนิดนั้นเขาจะนําเกิดแต่ก่อนที่เขาจะนําเกิดเนี่ยเขาจะต้องบอกให้เจ้าของกรรมได้รับทราบฉะนั้นเราเป็นเจ้าของกรรมเนี่ยเราจะรับรู้ในขณะเวลาใกล้ตายเทนี้กรรมเนี่ยเขาจะมาแจ้งให้เราทราบในลักษณะอย่างไรท่านบอกว่ากรรมชนิดไหนมีโอกาสกรรมชนิดนั้นเนี่ยเขาจะมาปรากฏให้เจ้าของกรรมได้รับรู้ ท่านเรียกว่ากรรมะอารมณ์ <c oughs> ในเวลาใกล้ตายเนี่ยบุคคลเวลาใกล้ตายเนี่ยจะมีอารมณ์สามประการอย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏเรียกว่ากรรมะอารมณ์กรร ม, มานิมิตอารมณ์ทตินิมิตามมาอารมณ์กรรมะอารมณ์คืออะไรคือกุศลกรรมอกุศลกรรมสิ่งที่เราระลึกได้ในเวลาใกล้ตายเนี่ยถ้าเราระลึกนึกถึงกุศลกรรมได้กุศลกรรมเป็นกรรมะอารมณ์ เขามีโอกาสนำเกิดนำไปสู่สุขติถ้าเราเล่ลึกถึงอกุศ ล, ลกรรมได้ในขณะใกล้ตายแสดงว่าอากุศ ล, ลกรรมเขาเป็นกรรมมอารม์แล้วเขามีโอกาสนำไปสุขติคราวนี้ถ้าเกิดกรรมไม่ปรากฏไม่มาปรากฏถ้ากรรมเขาไม่มาปรากฏเนี่ยท่านบอกว่าเครื่องหมายของกรรมเขาจะมาปรากฏ กุศลเกิดจากอะไรอ่ะอกุศลเกิดจากอะไรการกระทำกุศลเนี่ยกระทำได้หลายอย่างนะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะอย่างการให้ทานให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อผ้ายารักษาโรคเครื่องอุ ป, ปโภคบริโภคต่างๆวันนี้ยกอาหารมาถวายกันเต็มไปหมดเลยถามว่าข้าวปลาอาหารที่นำมาถวายะวันนี้ เป็นบุญหรือเปล่าตอบได้ไหมตรง น, นี้เราตอบได้ไหมว่าข้าวปลาอาหารที่นำมาถวายพระเต็มไปหมดวันนี้เป็นบุญหรือไม่เป็นเป็นตัวบุญหรือปรเปล่าฮะให้บอกเป็นตัวบุญยกมือขึ้นที่ไม่ได้ยกมือแสดงว่าไม่ใช่ตัวบุญใช่ไหมฮะเป็นหรือไม่เป็นข้าวปลาอาหารที่เรานำมาถวายพระไม่ใช่บุญนะแต่เป็นสิ่งที่ทาให้เกิดบุญบุญคืออะไรบุญคือกุศลได้แก่ เจตนาที่คิดจะให้นะนับ เ, เจตนาเจตนาที่เราคิดจะบริจาคเนี่ยเจตนาเป็นเป็นตัวบุญบุญเป็นตัวนามธรรมาบุญไม่ใช่รูปธรรมนะกุศลเป็นนามธรรมาไม่ใช่รูปธรรมข้าวปลาอาหารเนี่ยเป็นอุ ป, ปกรณ์ทำให้เกิดบุญเป็นเครื่องหมายของบุญถ้าเวลาใกล้จะตายเห็นข้าวปลาอาหารมาปรากฏ เต็มไปหมดเลยที่เราเคยถวายพระเคยบริจาคเนี่ยท่านเรียกว่านิมิตเครื่องหมายของกุศลกรรมมาปรากฏเป็นกรร ม, มนิมิตอารมณ์สัตว์ที่เราเคยฆ่าถามว่าเป็นตัวบาปหรือเปล่าสัตว์ที่เราฆ่าเขาตายเนี่ยเป็นบาปไหมไม่ใช่เป็นตัวบาปแต่จิตคิดจับฆ่าสัตว์เจตนาฆ่าสัตว์เป็นบาปในขณะใกล้ตาย สัตว์ที่เราฆ่าตายเนี่ยมาทวงบอกว่าท่านทําเราตายไว้ในวันนั้นจําได้ไหมท่านจะต้องชดใช้คืนแล้ววันนี้เนี่ยมาบอกแบบนี้อันนั้นแสดงว่ากรรมนิมิตอารมณ์ขวายอกกุศลมีโอกาสเขาเป็นเครื่องหมายของอกุศลถ้ากุศลกรรมอกุศลกรรมไม่มาปรากฏเครื่องหมายของกุศลกรรมอกุศลกรรมเขาจะมาปรากฏ คราวนี้ถ้านิมิตเครื่องหมายของกุศลอกุศลไม่มาปรากฏยังมีอีกเหมือนกับนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ก็ต้องให้รองนายกไปถ้ารองนายกไม่อยู่ทำไมต่อคราวนี้มอบหมายรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งไปเหมือนกันคราวนี้กรรมมาเองไม่ได้นิมิตเครื่องหมายของกรรมจะมาแจ้งเจ้าของกรรมถ้านิมิตเครื่องหมายมาไม่ได้คตินิมิตสถานที่ที่ กรรมเขาจะนำสพัพพสัตต์ไปเกิดเขาจะมาปรากฏบอกให้เจ้าของกรรมได้รับทราบเจ้าของกรรมก็จะมองเห็นสถานที่เกิดของตัวเองครั้งหนึ่งแช่แม่ท่านพันเอกสะนะมองเห็นพบวิมานของตอนเองว่าจะไปเกิดอันนั้นเป็นคาตินิมิตอารมณ์แต่ว่ากรรมยังไม่หมดเลยทําให้ยังไม่ตายในขณะนั้น แต่ลักษณะั้นเป็นคตินิมิตอารมณ์ยังไม่ตายนะคตินิมิตอารมณ์ปรากฏเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนกับบุคคลตายเนี่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์เอาเครื่องมือการแพทย์ไป จ, จับก็เหมือนกับคนตายแล้วแต่จริงๆยังไม่ตายยังไม่ตายเป็นคตินิมิตอารมณ์เวลาใกล้าตายเนี่ยเราก็จะมองเห็นภพภูมิมองเห็นภพภูมิของทุกขติภูมิบ้างมองเห็นภพภูมิของสุขคติภูมิบ้าง ทั้งทุกขติและสุขติจะมาปรากฏให้เราได้เห็นบางครั้งเห็นตัวเราไปเกิดอยู่ในภูมินั้นบางครั้งเห็นเรากำลังเกิดเป็นมนุษย์คนใหม่บางครั้งเห็นเรากำลังเกิดเป็นเทพพยาดาบางครั้งเห็นตัวเราไปแหวกไหวในสายธาราถามว่าตายแล้วจะไปไหนลักษณะ น, นี้มองเห็นตัวเราเป็นมัดฉาเนี่ยแสดงว่าเป็นทุก ข, ขติภูมิ แล้วแต่ว่ากรรมชนิดไหนเขาจะมาปรากฏคราวนี้ถ้ากรรมอารมณ์ที่เป็นขวาติลธรรมคตินิมิตกรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ของขวัติกุศลมาปรากฏเจ้าของกรรมเขาก็จะผ่องใสหิดผ่องใสตายแล้วกุศลกรรมเขาก็นําเกิดในสุคติแต่ถ้ากรร ม, มอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ ฝ่ายอกุศลกรรมมาปรากฏเจ้าของกรรมก็จะเกิดอาการขุนมัวเศร้าหมองเกิดอาการหวาดกลัวอยู่ตลอดเราจะเห็นว่าบุคคลใกล้ตายเนี่ยสําหรับท่านที่เป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยใกล้ชิดกับคนไข้ามากคงจะพบบ่อยๆบุคคลบางคนไปด้วยอาการสงบเงียบจิตผ่องใสแต่บางคนหวาดกลัวเป็นเดือน หวาดระแวงอยู่คนนั่นจะมาทำร้ายคนนี้จะมาทำร้ายหวาดผวาอยู่ตลอดไอ้ที่หวาดผวานั้นแสดงว่าอากุศลกรรมกำลังมีโอกาสอยแล้วก็ทำให้เห็นกรร ม, มนิมิตคตินิมิตไม่ดีมาปรากฏเมื่อเห็นกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตไม่ดีมาปรากฏแสดงว่าตายแล้วจะไปสู่ทุกขติตอนนี้นี่แหละในขณะที่จิตผองใสเพราะกุศลกรรม เขามีโอกาสให้ผลและจิตไม่ป่องใสในขณะที่อกุศ ล, ลกรรมมีโอกาสให้ผลเนี่ยบุคคลที่เตรียมตัวมาดีแล้วจะมาระวังตรงนี้จะเอามาใช้ตรงนี้ที่เตรียมตัวมาดีนะแต่บุคคลไม่ได้เตรียมตัวมาเนี่ยไปทุกขติสถานะเดียวเท่านั้นถ้าจิตคุณมัวไม่ผ่องไสเนี่ยแต่ถ้าเรามีการเตรียมตัวก่อนตายแล้ว พอมีหวังไปสุขคติได้บ้างคราวนี้เราจะเตรียมตัวอย่างไรท่านบอกว่าเวลาจิตคุณมัวเพราะอกุศ ล, ลกรรมจะให้ผลเนี่ยบุคคลที่เคยอบรมจิตมาดีพอแล้วสามารถปรับจิตที่กำลังคุณมัวในขณะใกล้ตายให้กลับกลายเป็นจิตของใสได้และสามารถไปเกิดในสุขคติได้สําหรับบุคคลเคยฝึกจิตมาดีพอ ต้องเคยฝึกจิตมาดีเนี่ยคนไม่เคยฝึกจิตจะทําไม่ได้เหมือนกับคนไม่เคยขี่รถจักรยานเลยแล้วให้เราไปจับรถจักรยานแล้วขี่ออกไปเลยขี่ได้ไหมแบบเนี้ยไม่ได้ต้องฝึกขี่มาจนเป็นแล้วจึงจะขี่รถจักรยานได้เหรือกับเราไม่เคยขับรถเลยเขาเอารถมาจอดแล้วให้เราขึ้นรถขับไปเลยเนี่ยเราขับไปก็ชนสถานหน้าเดียวเท่านั้นเนี่ยะนั้นต้องต้องฝึกมาก่อนเราจะต้องฝึกฝึกมาดีก่อนจิตก็เหมือนกันเนี่ย จะต้องฝึกฝึกอบรมฝึกดูจิตฝึกกำหนดจิตบุคคลใดรู้จิตในขณะใกล้ตายเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนสถานะจิตที่คุณมัวให้เป็นจิตผ่องใสได้เพราะจิตที่คุณมัวเนี่ยคุณมัวด้วยอำนาจของอกุศสรกรรมกําลังจะนําให้ไปเกิดในทุกขติจิตกําลังเศร้าหมองไม่ผ่องใสยอยู่ ในกิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยท่านแสดงว่าเมื่อจิตเศร้าหมองจิตขุณมัวจิตไม่ผ่องใสก็กําหนดรู้จิตที่กําลังเศร้าหมองที่กําลังขุณมัวที่กําลังไม่ผ่องใสขณะที่จิตเศร้าหมองจิตเป็นอกักข u ศนแต่ขณะละลึกถึงจิตที่กําลังเศร้าหมองสภาพที่เข้าไปละลึกเป็นสติ เป็นกุศลเราเปลี่ยนตรงนี้นะเปลี่ยนจากอากุศลให้เป็นกุศลจิตที่กำลังเศร้าหมองกำลังไม่ผ่องใสเนี่ยเขาเป็นอากุศลเกิดจากอากุศ ล, ลกรรมที่จะนาให้ไปเกิดในอบายภูมิแต่ถ้าเราชำนาญในการเจริญสติระลึกถึงจิตสติเป็นกุศลสถานะเดียวขณะระลึกถึงจิตที่ไม่ผ่องใสในขณะนั้น สภาพของความระลึกคือสติเป็นกุศลและแสดงว่ากุศลเกิดพอสติเกิดกุศลก็เกิดแต่กุศลที่เกิดพร้อมกับสติยังมีกําลังนําไปสู่สุขคติภูมิไม่ได้เมื่อกุศลชนิดนี้นําไปสู่สุขคติภูมิไม่ได้อากุศลที่เขาจะนําเกิด เขาก็หมดโอกาสใี่แล้วทำไมหมดโอกาสเพราะกุศลมาเกิดแฟงสภาพของกุศลมาเกิดแฟงและตอนนั้นทำให้สภาพของอกุศลเนี่ยตกไปกุศลที่เกิดในมารณาสันนการไม่สามารถนำปฏิสนธิในภพใหม่ภูมิใหม่ได้แต่กุศลที่เกิดขึ้นในมารณาสันนาการนี้ สามารถไปเปิดโอกาสให้กุศลที่เขายังไม่มีโอกาสส่งผลได้มีโอกาสส่งผลในสถานะที่เป็นอุปธ ร, รรมพกะธรรมกุศลที่เกิดในเวลาใกล้ตายเนี่ยไปทำหน้าที่อุปธรรมกุศลที่เขายังไม่มีโอกาสให้เขาได้มีโอกาสพูดถึงตรงนี้ธรรมาก็ชอบยกสมัยหนึ่งนะในบ้านเมืองของเรายกุกท่านอนันตปัญญาลชนเนี่ย เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วท่านอนันต์ปัญญาละชนเนี่ยไม่ไม่มีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในายคนั้นน่ะไม่มีโอกาสแล้วบุคคลที่จะมีโอกาสในายคนั้นคือใครตอนนั้นใครนะจําชื่อได้ไหมฮะท่านสมบูรณ์ละหงใช่ไหมสมบูร์ละหงจะเป็นนายกรัฐมนตรีท่านอนันต์ปัญญาละชนเนี่ยไม่มีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ด้วยท่านท่านอะไรอะอาทิตย์อุไรลัตใช่ไหม เป็นประธานรัฐสภาอยู่ได้เปิดโอกาสให้ท่านอนันต์ปัญญารชนเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกับกรรมเหมือนกันดาวเนี้ยกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้มากมายนะในตัวเราเนี่ยเราทำกุศลไว้เยอะเลยในชาตินี้ในอดีตชาติเนี่ยทำไว้มากมายแต่กุศลเหล่านั้นไม่มีโอกาส เหมือนบุคคลในบ้านในเมืองเราจะเป็นนายกรัะมนตรีมีเยอะแต่ไม่มีโอกาสเหมือนกันเนี่ยต น, นี้กุศลกรรมเยอะแยะไปหมดที่เราได้ทำไว้เขาไม่มีโอกาสแต่ด้วยอำนาจของกุศลที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้ตายเนี่ยเปิดโอกาสเปิดโอกาสแกกุศลที่เราได้เคยกระทมาเนี่ยให้มีโอกาสในการนำเกิด แล้วตัวของครูสอนที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้ตายก็ทำหน้าที่ช่วยอุดหนุนสนับสนุนในการเปิดโอกาสให้เขานำเกิดแล้วก็สนับสนุนให้เขามีกำลังอีกเกิดขึ้นจากการเตรียมตัวมาดีคือการฝึกจิตบุคคลใดถ้ารู้เท่าทันจิตของตัวเองนะ่ะสามารถอ่านจิตของตัวเองได้ตลอดบุคคลนั้นมีโอกาสไปสู่สุขติสถานะเดียว นยนยามครับขันที่อกุศลกรรมมีโอกาสแล้วยังสา ม, มารถพลิกฝันให้สภาพของอกุศลกรรมตกไปแล้วให้กุศลกรรมเนี่ยมาทำหน้าที่นำเกิดได้การตายเนี่ยจึงมีสองประการตายเป็นจะตายไม่เป็นถามว่าถ้าเราตายเป็นเนี่ยเรามาเตรียมตัวกันก่อนเราก็จะไปสุขคติได้แต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยเวลาจิตคุณมัวอกุศลนาเกิดแน่นอนเลย ให้มีโอกาสเปลี่ยนได้ออกุสอนต้องนําเกิดแน่นอนแต่ถ้าเราเตรียมเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนสภาพของอกุศลให้เป็นกุศลได้คราวนี้การเตรียมเนี่ยเราจะเตรียมอย่างไรอ่ะการเตรียมใจการเตรียมตัวด้วยการฝึกจิตของตัวเองฝึกจิตให้รู้เท่าทันจิตของตัวเองงั้นเราก็จะต้องมาคอยอ่านจิต คอยดูจิตในชีวิตประจําวันเนี่ยเราเราจะต้องดูตลอดนะว่าจิตเป็นอย่างไรจิตพ่องใสหรือไม่พ่องใสเพียงแต่ตามรู้เท่านั้นเนียวจิตผ่องใสก็รู้ว่าจิตผ่องใสจิตไม่พ่องใสก็รู้ว่าจิตไม่พ่องใสท่านบอกว่าจิตมีราคะก็กําหนดรู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็กําหนดรู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตโกรธจิตมีโทสะก็กําหนดรู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตหายโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้ กำหนบรู้อย่างเดียวนะ่ะไม่ต้องไปบังคับให้เขาหายจิตเขาเป็นอย่างไรอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเกิดตามหน้าที่ของเขาแต่เราคอยตามล่ลึกรู้ดูเขาอยู่ไอ้การระลึกรู้ดูอยู่เนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับดูละครทีวีเรามีหน้าที่ดูเราไม่มีหน้าที่ไปคอยกำกับให้ตัวละครแสดงบทบาทเขาจะแสดงบทไหนก็ให้เขาแสดงไป แต่เราก็ดูเขาดูเขาเล่นละครบางครั้งเขาเล่นบทบาทบูเราก็รู้บางครั้งเขาเล่นบทบาทเรียบเรียบเราก็รู้การดูจิตก็เหมือนกันจิตของคนเราก็เหมือนกับตัวละครเนี่ยบางครั้งจิตก็เป็นผู้ล้ายบางครั้งจิตก็เป็นพระเอกจิตของเราเล่นได้หลายบทบาทบางครั้งแสดงบทบาทเลว้าย บางครั้งแสดงบทบาทผู้ดีบางครั้งแสดงบทบาทเป็นพระเอกนางเอกบางครั้งแสดงบทบาทเป็นตัวโกงเขาจะแสดงบทบาทอะไรเนี่ยนะเราปล่อยให้เขาแสดงโดยอิสระของเขาแล้วเราตามระ ล, ลึกรู้ดูดู ด, ดูดูอย่างเดียวดูเขาลู้เขาเขาอยากได้ก็ปล่อยเขาแต่เราดูเขารู้เขา เขาโกรธว่าปล่อยเขาแต่เรารับรู้เขาดูเขาขณะที่เรารับรู้เขาดูเขาเนี่ยชื่อว่าขาจัดราคะขาจัดโทสะได้แล้วพราจิตของคนที่โกรธเนี่ยกําลังคิดถึงบุคคลคนหนึ่งที่เราโกรธประจิตคิดถึงคนที่เราโกรธจิตไปอยู่กับเขานะใจเราจึงโกรธแต่ขณะนั้นท่านให้ย้อนกลับมาดูจิตที่กําลังโกรธพอเราย้อนกลับมาดูจิตที่กําลังโกรธซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวเรา จิตก็ถูกพลากออกจากเขาแล้วมาอยู่กับใจเราที่กำลังโกรธเมื่อจิตถูกพลากออกจากตัวเขาไม่คิดถึงเขาจิตก็จะโกรธต่อไปไม่ได้คิดถึงสิ่งใดแล้วใจโกรธท่านบอกว่าหยุดคิดถึงสิ่งนั้นโดยการมาดูจิตของตัวเราแทนก็ะจะสามารถขจัดปาระคะ ข, าขาจัดโทสะเรามาเตรียมตัวก่อน ที่เราจะตายถ้าเราเตรียมดีการเดินทางไปสู่สัมปรายิกาภพของเราก็าจะไปสุขติสถานะเดียวแต่ถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยนะเราก็มีทุกขติเต็นไปในเบื้องหน้าฉะนั้นบุคคลที่มาเตรียมตัวก่อนมาฝึกอบรมจิตก่อนมาฝึกดูจิตก่อนจนจิตไม่วันไหวในสิ่งต่างๆ สามารถที่จะนำพาตัวเองนั้นให้ได้ประสบพบกับสันติสุขให้ได้ประสบพบกับความสุขโดยสถานะเดียวสมาได้ใช้เวลาบรรยายมานะี่ะก็ใช้เวลามานานพอสมควรนะประมาณหนึ่งชั่วโมงฉะนั้นคงพอสมควรแกเวลานะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายเนะี่ยก็เปิดโอกาสนะสำหรับท่านที่ยังไม่ติดภารกิจการงาน ต้องการซักถามปัญหาข้อใดข้อหนึ่งก็ขอเชิญเลยนะจะเป็นไปได้ออกไปถามก็จะทําให้ชัดเจนนะใครมีปัญหาของสัมีร่อง ไ, มมงไหมขอเชิญล่ะต้องการที่จะให้ตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะถ้าตอบได้จะมาก็จะตอบนะถ้าตอบไม่ได้ก็ขอติดไว้ก่อนโอกาสหน้าค่อยมาตอบกันในครั้งนี้ก็นําเรื่องของการเตรียมตัวก่อนตายเนี่ยมาบรรยายแล้วก็ ในโอกาสต่อไปนะถ้ามีโอกาสก็อยากจะพูดอีกสักครั้งหนึ่งว่าตายแล้วจะไปไหนนะเราคงจะสมบูรณ์มาพูดกันถึงเรื่องตายตายก็ทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ประมาทันวันนี้ได้ใช้เวลาบรรยายมาพอสมควรแก่เวลาแล้วในช่วงสุดท้ายนี้ก็ให้ท่านทั้งหลายได้